อาทิตย์ที่23พฤศจิกายนพศาา2540การบรรยายพระ ส, สูตรในสังยุธตานิกายอภิสมัยญาสังยุตปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโทธิสัตธาสาธุชนที่เคารพการบรรยายสรุปเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทในวันนี้จะได้พูด เอกสารหน้าสุดท้ายของที่แจกคราวที่แล้วที่ได้แก้ไขและนามาแจกให้ใหม่ในครั้งนี้นอกจากนั้นก็จะมีบทสรุปในประเด็นอื่นส่วนที่เหลือถัดไปที่แจกเป็นเอกสารสองชุดนะฮะในชุดหลังก็จะเป็นการประมวล ส, สูตรโดยประเภทธรรมที่คลุกเจือกปฏิจจสมุป บ, บาท เพราะเหตุว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นบางแห่งก็แสดงเป็นเรื่องของสภาวะปฏิจจสมุปบาทเพียงอย่างเดียวล้วนๆในหลายๆสูตรนั้นได้แสดงคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวกับธรรมะหมวดอื่นกลุ่มอื่นผสมเข้ามาในปฏิจจสมุปบาทโดยเป็นต้นเรื่องบางเป็นส่วนผสมตลอดเรื่องบาง แล้วก็เป็นส่วนแทรกแซงในบางจุดบางประเด็นของปฏิจจสมุปบาทบางองบางสำหรับในประเด็นเนี้ยเอกสารก็ยังมีเหลืออีกครึ่งหนึ่งคราวหน้านะครับผมไม่มาแต่ว่าจะให้เขาถ่ายอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมาแจกให้ท่านก็จะได้ไปเก็บรวบรวมใบใช้เอาไว้ดูเป็นหลักฐานสืบต่อไปขอให้มาตั้งต้นกันที่ เอกสารที่เขียนเป็นแผนภูมิในป่ายใต้หัวประเด็นว่านิโรธวาระที่เชื่อมต่อแล้วแยกต่างจากสมุตยะวาระเนื่องจากว่าปฏิจจสมุปา ท, ที่พู้เจ้าทรงสแสดงนั้นทรงสแสดงสายเกิดสายดับก็เป็นรูปลักษณะที่พูดอย่างเป็นระบุองค์ว่าวิชา เป็นปัจจัยแก่สังขารว่าวิชาดับสังขารดับอย่างนี้เรียกว่าเป็นสายเกิดสายดับในลักษณะแสดงในรูปปฏิเสธโดยยืนชื่อองค์เดิมไว้ก็มีปฏิจจ์เฉพาะในสูตรที่ยี่สิบสามนี้ครับที่ทรงแสดงสายดับในลักษณะที่เป็นประเภทธรรมในลักษณะของชื่อที่ผิดแปลกไปจากสายยืน คือสายเกิดมีอวิชชาเป็นต้นก็จะชี้ให้เห็นว่าการแสดงสายนิโรธวาระปฏิโลมเทศนาอันนี้เป็นการเริ่มแสดงปฏิจจสมุปบาทในสูตรนี้ทรงเริ่มจากขย้ายานขย้ายานถือว่าเป็นความดับปฏิจจสมุปบาทโดยเรียกชื่อเป็นอย่างนี้ แล้วก็แสดงย้อนเรียกว่าอนุลมเรียกว่าปฏิโลมขอโทษย้อนจากขยยะยานเลื่อยไปจนกระทั่งถึงศรัทธาได้แก่ความเชื่อและจากนั้นก็ได้ทรงแสดงปฏิจจาสายเกิดในลักษณะปฏิลมก่อนคือกล่าวจากทุกข์ไปลำดับถึงอวิชชา และจากนั้นก็ทรงแสดงสายอนุโลมเทศนาสมุทรยาวาระตามหมายเลขสามว่าเพราะศรัทธาเป็นปัจจัยทำให้เกิดปราโมทศรัทธาเป็นที่อาศัยของปราโมทขึ้นไปจนถึงขยะยานแล้วก็จากนั้นก็ทรงจับแต่อวิชชา เป็นสายนิโรธวาระนะนิโรธวาระแบบอนุโลมก็คืออวิชชาดับสังขารดับเลื่อยไปจนถึงทุกข์ดับก็จะอธิบายเพียงสั้นๆนิดหนึ่งว่าปฏิจจะตรงนี้อวิชชาเป็นองค์ต้นไปสิ้นสุดที่องค์ที่สิบสองคือทุกข์ทุกตรงนี้จึงอมความ ชารามระโสกะปริเทวทุกโธมนัตคือทุกเนี่ก็คือชารามระนั่นแหละในองค์ปกติในทีนี้เรียกว่าทุกรวบยอดทีนี้อวิชาปฏิจจาสายดับเนี่ยเกิดตั้งแต่หรือทำความดับตั้งแต่ทุกใช้ทุกขเป็นปัใจจัยให้เกิดกุศลธรรมโดยลำดับ ในที่นี้จึงได้แสดงว่าทุก์เป็นที่อาศัยของศรัทธาทุกเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาคือคนที่จะไปสู่วิวัตตะได้ก็อาศัยนามรูปในวัตตสงสารนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เกิดศรัทธาคือความเชื่อในวัตทุกข์เชื่อว่าการเวียนว่ายใจเกิดมีการเกิดเป็นทุกขนามรูปเป็นทุกนี่คือเชื่อในทางหลักการก่อน เมื่อเราอบรมความเชื่อความศรัทธาให้สมบูรณ์แล้วปราโมทเกิดขึ้นความดีใจเบื้องต้นปิติคือความดีใจขั้นรุนแรงขึ้นเกิดขึ้นปัสสติความสงบสุขเกิดขึ้นสมาธิหมายถึงฌานนะตัว น, นี้หมายถึงฌานยะถาภูตยานวัตสนะเป็นชื่อของวิปัสนายานหนึ่งถึงยานสี่นิพพิทา แปลว่าความเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นชื่อวิภัสสนาญาณที่ห้าถึงญาณสิบเอ็ดวิราคาเป็นชื่อของมรรคญาณวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นวิราคาเนี่ยแปลว่าความคลายกำหนัดโดยทั่วไปแปลอ ย, อย่างนั้นวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นเป็นชื่อผลและญาณแล้วก็ขยะญาณเป็นชื่อแปลว่าญาณในความดักเนี่ยเป็นชื่อของปัจจเวคขณะญาณก็ เป็นไปตามลำดับอย่างนี้ถ้าเราจะดูกันแบบแบบเป็นส่วนๆไปเนี่ยก็จะเห็นว่าศรัทธาที่เป็นตัวเบื้องต้นเนี่ยนะฮะตัวนี้หมายถึงปริยัตแล้วก็หมายถึง จินตายานความคิดคำนึงต่างๆเนี่ยครับที่ทําให้เกิดความเชื่อในวัตทุกขขึ้นและหลังจากนั้นเราก็ใช้สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยอบรมทําให้เกิดกระบวนการที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นตั้งแต่อุปจารสมาธิขึ้นไปจนถึง อปปนาสมาธิบริกรรมสมาธิสําหรับปราโมดเนี่ยนะความจริงก็เป็นเป็นบริกรรมสมาธิด้วยคือวงเล็บเนี่ยอาจจะต้องเขียนขยายมาถึงปราโมดเป็นบริกรรมสมาธิด้วยวงเล็บปีกานั้นจากสิบห้าขยายมาถึงสิบสี่และ จุดได้ฌานคือข้อที่สิบแปดวิปั ส, สนาข้อสิบเก้าถึยี่สิบมรรคผลแล้วก็ความหลุดพ้นเนี่ยก็ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่บสามนี่ถือเป็นกระบวนการขั้นโลภตร ะ, ตะักตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นการดับปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจสมุปบาทสายดับ อย่างชนิดที่พูดออกมาเป็นข้อๆที่มีชื่อแยกต่างออกมาในเอกสารนี้ก็ยังยังคาดเคลื่อนอยู่ดีนะเพราะว่าข้อสามเนี่ยความจริงมันต้องมาอยู่แทนข้อสี่แล้วข้อสี่ต้องไปอยู่ตรงตำแหน่งข้อสามคือพูด ง, ง่ายว่านิโลดทวารละข้อสี่นะไปะไ ป, ไป คือถ้ายงกลับสลับกันก็คือข้อสี่ไปอยู่ข้อสามข้อสามไปอยู่ข้อสี่วางตำแหน่งจิตไว้หน่อยอในในหน้าแรกเนี่ยครับนั่นแหละมองมองเห็นไหมฮะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสมุทยาวาระอนุลมสมุทยาวาระอนุโลมเนี่ยมันต้องมาอยู่ตรงระดับเดียวกับอวิชชา แล้วก็นิโรธทวาระอนุโรมต้องไปอยู่ตรงศรัทธาข้อสี่ไปอยู่ตรงตำแหน่งแทนข้อสามคือให้ให้กำหนดว่าศรัทธาถึงขยะยานเนี่ยเป็นปัดเป็นเป็นนิโรธนะ่ะเป็นนิโรธนะเป็นนิโรธทวาระแสดงทั้งย้อนแล้วก็แสดงทั้งตามลําดับสําหรับตรงทุก ถึงเอาวิชาหรืออาวิชาถึงทุกเนี่ยเป็นสายสมุทรไทยวาระถ้าแสดงจากทุกมหาวิชาเป็นปฏิลมถ้าแสดงจากอาวิชาไปถึงทุกนี่เป็นอนุลมสายสมุทรไทยผิดพลาดตาวที่แล้วก็พลาดมาทีแล้วก็แก้แล้วก็ยังสาบิดอีกไม่ได้ผิดที่คนพิมพ์หรอกผิดที่คนเขียนเนะเบลออ่านจะทั้งเพียงที่หน้าเดียวนะจะว่า จะเผลอพลังอย่างไรก็ไม่รู้แต่ก็ปิดไปหละก็แก้กันหน่อยละกันนะอันนี้เป็นเป็นพระสูตรที่แสดงปฏิจจะอย่างประหลาดที่สุดในร้อยสี่สูตรเนี่ยนะฮะผมก็ได้นําเอารูปแบบจากพระสูตรที่แสดงปฏิจจะสายดับ ตามแบบในสูตร23ในหน้าแรกเมื่อกี้ครับมามากล่าวให้ดูก็เป็นแต่เพียงว่าหยิบองค์มาแสดงเท่านั้นไม่ได้หยิบสูตรมาความจริงก็จัดทําแต่ว่าจะจะไปใช้ที่อื่นต้ในวันนี้ในตอนบ่ายเนี่ยนะฮะก็ที่ในที่อื่นก็จะมีไอรูปแบบนี้แล้วก็มีมีพระสูตรแต่ที่นี่ไม่ได้แจกเขียนว่าจะเยอะไม่กลัวจะทิ้วกับบ้านไม่ไหวก็ในในนั้นก็จะพูดถึงทุกๆุกแบบว่า อะไรเป็นปัจจัยให้ให้เกิดอะไรในสายดับนะครับลองดูในหน้าของหน้าสองของเอกสารที่เป็นแผนภูมินะที่คือหนูข้อว่าวสังเขรรูปแบบสามกลุ่มเจ็ดในสามกลุ่มก็มีกลุ่มที่กล่าวถึงว่าศีลมีวิปฏิสารเป็นผลมีศีลมีอวิปฏิสานเป็นผลนะตกอาะไปตัว แล้วก็ศีลมีสมาธิเป็นผลนี่เป็นดีกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่สามคือปราโมทย์มีปีติเป็นผลสําหรับกลุ่มที่หนึ่งที่กล่าวถึงศีลมีอวิปปิสารเป็นผลวิปปิสารแปลความเดือดร้อนใจอวิปปิสารแปลว่าความไม่เดือดร้อนใจคนที่ไม่ไม่ผิดศีลหรือคนมีศีลเนี่ยก็มีความไม่เดือดร้อนใจเป็นธรรมดา ในนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าอ่าสําหรับไอ้ลูกศรแรกที่อยู่เหนือคําว่าศีล น, นี่นะฮะไม่ใช่ครับทําเป็นวงกลมแล้วก็แล้วกันเป็นจุดกลมๆเสียเขียนเกินมาจะได้ไม่งงน ะ, ะคือตั้งต้นตั้งแต่ศีลว่าผู้มีศีล น, นี่ยในสูตรกลุ่มนี้นะครับตั้งต้นที่ศีลว่าผู้มีศีล ย่อมมีอวิปปิสารเป็นผลเป็นอานิสงส์ความไม่เดือดร้อนใจก็ฟังดูง่ายนะครับแต่ว่าถ้าจะทำจริงๆเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าว่าคนมีศีลย่อมไม่เดือดร้อนใจจริงๆคนไม่มีฐานเนี่ยยังอาจจะเดือดร้อนใจเล็กน้อยว่ากุสนเนี่ยไม่ได้ทำนะแต่คนที่ไม่มีศีนเนี่ยเดือมีศีนห้าแต่ตัวไม่ไรักษาี่นะ เดือดร้อนใจแน่แต่ถ้ามีศีลแล้วไม่เดือดร้อนใจแน่แล้วคําว่าไม่เดือดร้อนใจเนี่ยพูดเหมือนเท่าทุนแต่ว่ามันหมายกำหมายทางบวกคือลําพังว่าคนเนี่ยออไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโรคเนี่ยมันถึงจะพูดเป็นทางบวกแต่มันมีคุณค่าอยู่ในตัวเลยใช่ไหมมีใจมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบีบคั้นแต่ไม่เดือดร้อนใจ เป็นคุณค่าทางบวกอยู่ในตัวนี่เมื่อมีศีลและปราโมทย์เกิดขึ้นโดยง่ายอ่ะคือคือถ้าคนที่มีมีศีลแล้วไม่ไม่มีวิปฏิสานี่มีเหตุปัจจัยใดที่จะทำให้เกิดความสุขเนี่ยสุขง่ายใช่ไม่ใช่ถ้าเมื่อใดที่มีวิปฏิสารร้อนใจเนี่ยถึงมีเหตุเป็นสุขตั้งเยอะทั้งรุนแรงก็สุขยาก จริงไม่จริง เ, ออเวลาที่เรามีความเดือดร้อนใจลองลองสังเกตดูเถอโอ้จะไปที่ไหนก็สุกยากฟังเทศฟังธรรมอะไรก็รู้สึกก็ไม่เคยมีกระติกระใจนี่เป็นเป็นธรรมดาที่เห็นได้ทีนี้ถ้าเข้ามาสู่กระแสธรรมเนี่ยถ้ามีศีลมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นพื้นอยู่เนี่ยใจไม่กำเริบเป็นพื้นอยู่เนี่ยมันก็รับธรรมะได้ง่ายเลยปาโมตเกิดปีตีก็เกิด ปีตินั้นเป็นความอิ่มใจที่แรงกว่าปราโมทเป็นขั้นขวาของของปราโมทนั่นเองเรียกปีติและปะสะัสสธิคือความสงบระงับตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ถ้าพูดให้เข้าใจอีกนิดนึงก็จะเห็นว่าจากศีลเนี่ยคือไม่ทำความชั่วก็เป็นตัวกัน ความทุกร้อนทางใจนะคือถ้าเขียนเป็นเป็นรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปของสะพานหรือรูปมุมแหลมนะเริ่มจากมีสีเป็นเบื้องต้นความไม่เดือดร้อนใจนี่เป็นที่สองแล้วค่อยๆขึ้นไปสู่ปาโมลด์แล้วขึ้นไปสู่ปีตีในสุดยอดนะเป็นยอดสะพานหรือยอดมุมแหลมเสร็จ แ, แล้วก็หลังจากปีตีแล้วก็เป็นส่วนลงแต่ว่าเป็นจุดลงของ ของฝั่งดีฮะขึ้นจากฝั่งร้ายลงวั่งดีไม่ใช่ขึ้นแล้วขึ้นไปบนนู้ลงไม่ได้เหมือนเราจะข้ามจากฝั่งทุกไปสู่ฝั่งสุขเนี่ยเวลาปีติแลในปัตตทีหนูเป็นมันเป็นความละเอียดความสงบสงเงียมความประณีตของความสุขที่ยิ่งกว่าปีติปีตินี่ถืออยาบถือว่าเป็นเรื่องหยาบเป็นความสุขที่หยาบ กว่าปสัสสธิปสัสสธิจึงเป็นภาวะของความสุขลึกๆนะสงบล้วงงับแล้วก็สุขนี่เป็นเป็นความสุขด้านบวกคือมันเหมือนกับปราโมดทำให้เกิดปีติเนี่ยในด้านขาขึ้นนะฮะตัวปสัสสธิเป็นเหตุทำให้เกิดสุขสุขนี่คือความสุขที่ประณีตขึ้นไปกว่าปสัสสธิ คือสุขเวทนาที่ไม่มีอาการห ย, ยาบๆหรือไม่มีอาการแสดงออกอย่างชนิดที่เรียกว่าห ล, มหลวมๆเหมือนอย่างปีติแล้วก็ลงไปสู่สมาธิคือความนิ่งที่กล่าวว่าสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิมีสุขเป็นวัตถานและ หลังจากนั้นก็เข้าสู่แดนวิปัสนาแล้วครับอันนี้เราจะเห็นว่าอาธิพรหมจรรันทร์เริ่มจากศีลนะฮะบทบาทศีลเนี่ยก็เป็นตัวเริ่มต้นแล้วค่อยๆคยาบคืบคานเข้ามาสู่การระ ง, งับกิเลส เ, เอาวิปฏสสนาเนี่นะการกิเลสในแง่การกิเลส แ, แล้วก็เป็นได้พลังในทางบวกปาโมดปิติขึ้นมาตามลาดับๆเนี่นะจนกระทั่งมาได้สมาธิคือได้ฌาน นี่คือเป็นการกล่าวถึงศีลสมาธิแบบกระจายรายละเอียดในเชิงขั้นตอนระหว่างจุดเชื่อมต่อจากศีลมาถึงสมาธิหรือจากศีลสิกขามาถึงจิตสิกขามีกระบวนการเชื่อมต่ออยู่ตรงกลางอาวิปปิสารปราโมทย์ปิติปัสสติและสุขนั่นเป็นอาธิพรมจรั์และ ยะถาภูตะยานทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือนามรูปตามความเป็นจริงนี่เป็นวิปัสนาญาณขั้นต้นนี้พอมาถึงตรงนี้ครับถ้า <c oughs> สูตรสองที่แสดงแยกกันที่หนึ่งแสดงรูประหว่างนิพิทากับเวลาคะไว้เป็นองค์เดียวกันที่ตรัสว่านิพิทาเิลาเวลาคะ และอีกสูตรหนึ่งแสดงแยกนิพิาก a บ ว, วิลาาเป็นคนละข้อกันคนละขั้นกันแล้วก็ไปสู่จุดหมายปลายทางคือวิมุตติย า, านทัศนะเหมือนกันวิมุตติย า, านทัศนะเป็นชื่อของปัจเจเวกขณะยานสำหรับนิพิทาเป็นชื่อของวิปัสสนาญาณขั้น เรื่องปลายเอางี้เอาเองี้แล้วกันนะมั น, ม น, มนผมใส่องค์ธรรมไปแล้วในข้างหน้าเมื่อกี้ว่าวิภาสณนาญาณหนึ 11, ่งถึงสิบเอ็ดเกว่านิพิธาพอมาถึงวิราคะเนี่ยเ ป, ออเป็นชื่อของมรรคเป็นชื่อของมรรคแล้วก็ไปสู่วิมุตติญาณศาสนาเป็นชื่อของปัจจเวกเลยตรงนี้ไม่ได้แสดงผล ตรงนี้ถ้าเวลาอธิบายเอาละเอียดกันจริงๆองค์ธรรมเนี่ยบมงทีท่านแสดงคาบเกี่ยวไว้นะผมเอามาพูก็จะยุ่งซะตรงนี้ก็เลยเอาพอว่าตั่วๆไปฟังอยียงนี้ก่อนนี่ก็เป็นสองที่สองสูตรแสดงตั้งแต่ศีลถึงวิมุติยานทัศนะนี่เป็นกลุ่มแรกอะกลุ่มที่สองแสดงว่าจุดร่วมคือศีล มีสมาธิเป็นผลนี่แสดงเป็นจุดร่วมนะจุดร่วมอยู่ตรงนี้กลุ่มนี้รูปแบบที่สามดูเลขสามนะจับตั้งแต่ศีลแล้วก็แสดงกระโดดมาถึงสมาธิเลยครับตรงกลางไม่มีจากสมาธิก็มาถึงยะถาภูตยานทัศนะแล้วก็นิพิทาวิลา่ะรวมกัน แล้วก็มาสู่วิมุตติยานัทัศนะก็คือว่าเป็นขั้นก็คือสีนชาญคือสมาธิวิปัสนาชั้นต้นวิปัสนาเบื้องปลายและมักมารวมอยู่ด้วยกันในคำรรว่านิพิทาวิราคะแล้วก็ปัจเจเวขณะยานวิมุตติยานัตทัศนะต่อไปรูปแบบที่ 4. สี่แสดง มูลของศีลว่าอะไรเป็นมูลของศีลอะไรเป็นเหตุของศีลอินทรีสังวร อ, อินทรีสังวรคือความมีสติสำรวมอินทรีเนี่ยครับคนสามารถจะรักษาศีลไว้ได้ถ้าเป็นอย่างพระเนี่ยนะก็ตรงนี้นะถ้าเป็นโยมก็เหมือนกันถ้าเรารักษาศีลไว้ได้ก็โดยควบคุมการรับรู้การเห็นของเราก็จะสามารถรักษาศีลไว้ได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นคนปฏิบัติเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนหน่อยว่าเราคุมตาขุมจมูกเราสิ่งก็อยู่ก็คุมเอาไว้ได้จากนั้นก็กระโดดไปถึงสมาธิยถาภูตยานทัศนะนิพิทาเวลาฆาิมุติยานทัศนะนี่ก็เป็นอีกในหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งจากนั้นไปดูกลุ่มที่ห้า ในที่ห้านะในที่ห้ายังอยู่ในกลุ่มสามในที่ห้าสัเริ่มสแสดงเบื้องต้นของศีลถอยออกไปอีกครับจากอินทรีสังวรอินทรีสังวรเนี่ยมันมีอะไรเป็นเหตุเป็นอนิสงส้ อ, อะไรคีรีโอตตปะอันนี้เราอาจจะงงคือเหมือนว่าอย่างคนเนี่ยเราเมื่อว่า จะเป็นพระเนี่ยบงังคนเขาสอนระดับพระนะหรือผู้ปฏิบัติระดับพระคือทำกรรมฐานเนี่ยก็จะใจอันเดียวกันมุดว่าเราเราไม่มีความละอายเนี่ยถ้ามีได้ยินเสียงเพลงเดินไปวินาบาทได้ยินเสียงเพลงเอ้เราจะไปปิดหูหรือไม่ปิดหูสนใจไม่สนใจฟังใครจะรู้ใช่ไหมละ่ะถ้าเราไม่อายอะไอย่างนั้นเรก็อาจจะฟังทําท่าเหมือนไม่ไม่สนใจ แต่ว่าหูเนี่ยฟังหรือตาเฉเีืองดูเนี่ยมันง่ายนิดเดียวใครจะมารู้ฐันได้ไหมละ่ะถ้าเราไม่ไอายเนี่ยใครจะมาคุมใครจะมาดูแลใครจะเอาไอ้แว่นตาเหมือนแว่นตาม้ามาใส่ให้ตาเราแต่ถ้าเราละ อ, ยอยายสิอย่างเดียวเนี่ยเราคุมตัวเองได้เพราะศีลละเอียดเนี่ยไม่มีใครคุมได้ครับนอกจากก็ตัวเราเองโดยเฉพาะปฏิบัติเนี่ยโอ้เราจะทำอะไรก็ได้ถูกไหมถ้าอาศิลการควบคุมตาคุณจมูกเนี่ย ใครจะมาคุมกินอาหารแล้วจะกินให้มันยังไงใครจะมารู้เรื่องล่ะถ้าเราไม่ละอายและคุมตัวเองเป็นัฮิริโอตตปะจึงเป็นมูลของอินทรีสังวรอะไรเล่าที่เป็นมูลของฮิริโอตตาปะสติสมัมปชัญญะสติคุมฮิริโอตตาปะอินทรีแล้วก็คุมกันไปตามลำดับนั่นก็คือ เตือนสติใช้สติเตือนตนเตือนตอ น, ตนไม่ได้ใครจะเตือนตอนแต่เชิญไม่เตือนตนตนเตือนตอ น, ต น, ต น, ต น, ตนให้พ้นผิดอย่าให้อมิตรมาคิดเชียดเชือ่ออย่างที่วา่าวานแล้วไม่ถามต่อไปหรือว่าอะไรนะไม่เกิดสติ <c oughs> ดูที่เนี่ยสูตรนี้ไม่มีแสดงต่อไปนะมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยภายภนอกแหละในในที่อื่น อย่างเช่นมิตรพ่วให้สติแต่บางเออได้แสดงแบบนี้ผมยังไม่เห็นว่ามีนะมีที่อื่นนะนอกจากเราประมวลพ่วงออกมาได้มิตรพูดให้สติแก่มิตรพูดประมาทแล้วก็คือเป็นปัจจัยข้างนอกทําให้เกิดสติขึ้ไอเหตุอ เ, เกิดสตินี่มันมีปัจจัยข้างนอกข้างในแหละแต่ว่ามันต้องมาจากข้างนอกก่อนถ้าถ้าสติที่เป็นสติสติอก่อนหน้าศีลนนะ แต่ถ้าสติที่หลังศีลหมายถึงสติที่เป็นกรรมฐานเนี่ยแต่อย่างนี้ก็มีอารมณ์กรรมฐานเป็นที่อาศัยแล้วก็มีศีลมีอันอื่นเป็นปัจจัยสืบกันมาที่เรีวกว่าสติปัฏฐานเนี่ยนั่นเป็นเหตุข้างในแล้วก็หลังจากแสดงศีลแล้วก็มาเข้าสู่สมาธิโดดเข้ามาสู่สมาธิสืบลำดับขององค์ ของกระบวนการการเยอะอย่างลงสู่ทมสืบต่อไปอันนี้มาดูกลุ่มที่สามที่มีจุดร่วมอยู่ที่ปราโมทมีปิติเป็นผลในที่หกนะรูปแบบที่หกที่อยู่ในกลุ่มสามเนี่ยครับเป็นรูปแบบที่หกของทั้งหมดอัจฉธรรมเป็นเหตุให้เกิดปราโมทตรงนี้ท่าน แสดงถึงว่าปราโมทเนี่ยความจริงมีเหตุเกิดจากศีลโดยธรรมดาก็มีแล้วก็ปราโมทที่เกิดขึ้นจาอัตรธรรมอัตรธรรมในหมายถึงความเข้าใจในอัดความเข้าใจในธรรมอสูตรนี้กล่าวถึงวิมุตตาญตนะว่าแดนเกิดของความหลุดพ้นที่มาของความหลุดพ้นแดนรู้ไทยของความหลุดพ้นตั้งแต่อัตรธรรมเลื่อยมาจนถึงสมาธิเนี่ย แล้วจึงไปหลุดพ้นอีมุตตามหลังมาแต่ว่าสูตรนี้เขายกว่าวิความหลุดพ้นมีแดนแล ะ, ะแสดงแต่แดนไม่แสดงความหลุดพน้นแต่โดยปริยายก็หมายถึงความหลุดพ้นด้วยเลยเขียนเอเป็นไอเส้นไข่ปลาว้เพื่อให้รู้ว่ากล่าวโยงไปถึงความหลุดพน้นอสูตรนี้น่าฟังเพราะว่าท่านพูดถึงความเข้าใจในอัรถธรรมเนี่ย เกิดจากอะไรในสูตรแสดงด้วยนะในนี้ผมผมตัดเอาแค่ตรงนี้ว่าความเข้าใจในอัตรธรรมนั้นเกิดขึ้นจากเพราะได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศหรือภาษาวกของพระพุทธเจ้าเทศเมื่อได้ฟังเทศแล้วก็เกิดความเข้าใจในอัตรธรรมเมื่อเกิดความเข้าใจในอัตรธรรมก็เกิดประโมทขึ้นหรือเป็นผู้เทศให้ภิกษุอื่นฟังนี่เป็นอีกอีกกรณีหนึ่งภิกษุนั้นเป็นผู้เทศให้ภิกษุอื่นฟัง หรือเทศให้พุทธเจ้าฟังก็ได้นะได้ไหมเทศพุทธเจ้าฟังได้ไหมเคยมีใครเทศให้พุทธเจ้าฟังได้ใช่ไหมมีนะมีกระสวดปฏิโมกขไอ้สวดสะพูนชงนแหละหรือพระเจ้าให้เทศให้อะไรก็มีะเวลาท่านแสดงธรรมท่านบอกผมท่านเมื่อยแล้วอะไรแล้วเงี่ยก็ทําให้เกิดปรามโมดแค่ว่าถ้าเป็นเราก็อาจจะประมาณเทศให้ครูบาอาจารย์ฟังประมาณ ไม่เกิดประโมทแต่ว่าถ้าพระท่านไม่มีไม่มีไอ้แรงกดดันของกิเลสแล้วมีความสุจริตใจแสดงไปตามภูมิรู้ว่ายังไงก็พระเจ้าก็ส่งอนุโมทนาก็เกิดประโมทว่าได้ทำกิจได้ถวายอะไรพิเศษเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะและจากนั้นก็เป็นผู้ใค ร, ค ร, ร่ครวรทมใคร่ควรวรทมที่ ตัวเองได้เราได้เรียนมาได้ฟังมาก็เกิดปีติในธรรมที่ใครครวญหรือสาธยายธรรมเมื่อสาธยายธรรมแล้วก็เกิดความเข้าใจอ่านเข้าใจธรรมที่ตัวเองสาธยายก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้เกิดความเข้าใจในอัตในธรรมหรือเป็นผู้ที่ทา พิจารณาธรรมที่ตัวเองได้ได้ได้รู้แล้วได้ถึงแล้วเอามาพิจารณาเกิดปีติเกิดประเกิดประโมทขึ้นเนี่นะเกิดเกิดประโมทตัวนี้ขึ้นแล้วก็ธรรมะก็เดินต่อไปเป็นขั้นขั้นในพระสูตรก็พูดถึงผลได้จากกรณีของปริยัตอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะที่ว่าโดยโลงก็เรียกว่าเป็นลักษณะปริยัติ ความเข้าใจธรรมที่อาศัยประยัดเทศบังฟังเทศบังเกิดประโมทเพราะตรงนี้นะ่ะพวกเราเห็นจะเข้าใจได้ดีอะ่ะเพราะว่าเวลาเราอ่านพระไกรวิดกก็ดีก็เกิดประโมทฟังเทศฟังธรรมก็เกิดประโมทเทศให้คนอื่นทำก็เกิดประโมทใช่ไหมพูดธรรมะแนะนําธรรมะก็เกิดประโมทขึ้น อ, อ, อ่านพระไกรวิดก์เนี่ยอย่างที่ผมพูดเอาที่แล้วอ่าน ผมอ่านพฟฟระไตรปิฎกไม่ได้จำเมื่อกี่เที่ยวแล้วก็อ่า น, นยอย่างเงี้ยยูเรื่อยๆ อ, อ่านแล้วก็ได้ผลทางพลังใจสูงมากอ่านี่ผมก็นึกว่ามีโอกาสเนี่ยอยากจะจัดกิจกรรมอันหนึ่งขึ้นมาคือเรื่องฟังพระบาริสต์เอนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับแล้วจะบรรยายด้วยแล้วก็มาเก็บตัวฟังกันทั้งวันทั้งคืนนะไหวไหมเพราะว่า เนนเขาเขียนจดหมายเลามาที่ไปบสถังกาเขาก็ไม่มีประสบการณ์เขาไปฟังพระประลิศตลอดทั้งคืนนะลังกาเขาชอบมากจะสวดทั้งคืนนะมีพระมาะสวดที่พมา่าคือนิยมสวดประธานกันทั้งคืนเคยได้ได้ยินมาแล้วตอนอยู่ที่สํานักได้ยินเจ็ดวันเลยพระก็มาเข้ามาเข้าเวรสวดกันแต่สวดพระประลิตเนี่ยคนลังกาจะมาฟังกันทั้งคืนทีนี้ มันแปลกอันหนึ่งว่ามันเกิดพลังประหลาดขึ้นหลังจากฟังแล้วเกิดพลังอันอัศจรรย์ขึ้นอย่างไม่เคยคาดคิดว่ามันจะมีสิ่งนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยว่ามีโอกาสเนี่ยผมก็รับปากไปนี่ยอแหละแต่อาจจะไปทำที่ไหนก็ได้อาจจะไปทำที่ลำนักคุตติลาอะไรก็ได้นะแหละ เปิดบรรยายแล้วก็กลังคืนเนี่ยบรรยายเป็นภาคทฤษฎีให้รู้ให้หมดเลยว่าอะไรเนื้อความของพระสูตรแล้วก็นิ ม, มนต์พระมาเข้าคิวสวดแล้วเผลอๆบางครั้งเราอาจจะสวดเองบ้าง่ะสวดสู่กันและกันฟังเนียงนะสักสามคืนสามวันอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เอาไว้ไปนอนกลางวันหรือฟังกลางวันก็ได้แล้วแต่จะทำพลิกแปลงทำ จะเกิดพลังประหลาดอัศจรรย์ขึ้นเป็นพลังประหลาดพลังคุ้มครองวลิศหนึ่งแปลว่าเครื่องคุ้มครองตัวแต่ว่ามีผลในทางจิตใจทำให้ปฏิบัติธรรมะเดินก้าวหน้าอย่างชนิดที่รู้สึกได้อย่างทันทีเลยเนี่ยเป็นเรื่องแปลกจริงๆว่ามันอะไรถึงเข้าใจโอ้ทำไมโบราณเนี่ยเขาถึงสวดแลวคนลังกา เขาถึงนิยมทําเมืองไทยเราไม่นิยมทํำข้ามวันก้ามคืนนะแล้วก็ปรลิตเนี่ยอเดี๋ยวก็จะเป็นการบรรยายวิชาประลิศประลิตเดิมมันมีแค่หกปรลิตห้าปรลิตหกปรลิตเต็มที่กับตาเขาเรียกว่าสิบสองตำนานตำนานเนี่ยคือประลิศมันแปลมันแปลว่าเครื่องต้านเป็นไวโพจน์เรียกปรลิตอีกอย่างหนึ่งแต่เรามาเปลียกเป็นภาษาไทยความหมายกลายไป กสองนานแล้วประเทศที่มีปรลิศมากที่สุดเนี่ยคือลังกาเขาเอาพศมาประลิศนับไม่ทัวแเ้วเป็นยี่สิบแล้วสิบสูตรเลยที่เขาเห็นว่ามันมีความกลังพอคัดมาเป็นปรลิศแล้วก็ที่ลังกาเขาจะมีบทสวดลงเทพใส่เป็นปรลิศต่างๆไว้ผมจัดซื้อมาเหมือนกันเป็นเสียงสวดลังกานะ่ะหลังจะมาทำ หายสวดแบบหลังกายแต่ว่าเป็นสูตรเนี่ยแบบเทพส่วนมนต์ที่เคยอมาแจกตอนนั้นดีแล้วแต่นี้เป็นเรื่องผระลิตต่างๆทําให้เกิดเกิดปรามโมดขึ้นในขณะที่ฟังถ้าฟังยังเข้าใจเนื้อความเข้าใจอานิสงส์เนี่ยนะจะเกิดตอบรับได้อย่างเต็มที่เลยถ้าฟังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็จะเกิดแบบลึกลับ แบบไม่รู้ตัวอย่างที่ที่เล่ากันมาเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็ไม่เชื่อเด้ตั้งอะไนี้นไม่เชื่อมันจะมีอะไรนพิเศษเนี่ยก็เกิดมีผลขึ้นมาอัศจรรย์อย่างนั้นเอาล่ะว่าลำดับต่อไปในที่เจ็ดในที่เจ็ดนั้นกล่าวตั้งแต่ทุกอันนี้ก็คือสูตร ที่เราพูดกันมาในรูปแบบเมื่อกี้นั่นเองครับเอามาแสดงเป็นรูปแบบหนึ่งว่ากล่าวถึงปาโมดว่ามีศรัทธาเป็นเหตุใช่ไหมปาโมดเนี่ยเกิดจากศรัทธาก็ได้เกิดจากความผลของศีลก็ได้ความไม่เดือดร้อนใจเช่นว่าเราไปเห็นคนทำบาปฆ่าสัตว์ เป็นทุกข์ได้รับสวยผลเรามาปลาลงุงเออเราไม่ได้ทํำบาปฆ่าสัตว์เป็นต้นเราก็เกิดประมุดขึ้นมาอิ่มใจถูกมะหรือคนที่มีศรัทธาก็เกิดประมุขได้ง่ายเวลาศรัทธาเนี่ยพอมีอารมณ์มามปะทะพับเนี่ยนะก็เกิดปรมุขขึ้นคนที่มีปัญญาอัธธรรมนี่ถือเป็นปัญญาความเข้าใจในธรรม ก็ทำให้เกิดความโมดขึ้นปราโมดจึงมาจากเหตุหลายเหตุนะครับที่พูดในขอบเขตเท่าที่แสดงในนี้อ้าสำหรับส่วนหลังเนี่ยการยุบในทั้งเจ็ดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้มากขึ้นได้ดูง่ายขึ้นว่า มาเข้ากลุ่เข้าพวกกันแล้วก็ไอ้ส่วนร่วมกันในเบื้องปลายเนี่ยจะเห็นว่าจะไม่ทิ้งสมาธิแล้วก็ไม่ทิ้งนิพพิทาวิลาคาวิมุตเบื้องปลายเนี่ยนะจะไปตรงนี้ท่านั้นส่วนเบื้องต้นเนี่ยอาจจะแสดงมากน้อยต่างกันจากศีลมาถึงสมาธิเลยหรือจากอิอนทรสังวรแล้วก็มาถึงศีลแล้วโ ด, ดมาถึงสมาธิ เรื่ออาจจะจับความตั้งแต่ศีลไล่มาจนถึงวิปอวิปปติสารปราโมทย์ปีติปสัสสธิแล้วก็สุขแล้วจะมาถึงสมาติเงี้ยนะฮะก็ต่างกันทั้งหมดนี่ก็มาจากหน้าเมื่อกี้แหละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิจจะในสายดับเป็นพสูนที่แสดงปฏิจจะแบบในสายดั บ, รบเราไปดูเนื้อหาพสูตรในประเด็นที่เราจะพูดกันสืบต่อไป ที่ตั้งประเด็นว่าประมวลสูตรโดยประเภทธรรมที่คลุกเจือกับปฏิจจสมุปบาทลุ่มนะสำหรับกลุ่มแรกเนี่ยสูตรที่แสดงปฏิจจสมุปบาทสืบเนื่องจากเบญจขันธ์สืบเนื่องจากเบญจขันธ์คือกล่าวถึงขันธ์และโยงเข้าหาปฏิจจ์จึงได้เคยพูดพูดมาแล้วแต่ว่าที่พูดเข้าวก่อนๆเนี่ยเป็นการพูดแบบอยู่ในองค์ สิบสองคือปฏิจจาที่แสดงเต็มองค์แต่นี่เราพูดทั้งจะแสดงกี่องก็ตามเดียวกันรวมรวบยอดพูดไปได้วยกันหมดว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายไม่ใช่ของคนอื่นเกิดแต่กรรมเป็นที่ตั้งของเวทนาพอแสดงกายนี้แล้วกายนี้ก็คือนามรูปก็คือเบญจกัณฑ์นั่นแหละที่แสดงอย่างยอดแล้วก็โยงถึงกระบวนการทางเหตุปัจจัยเกิดกาย ว่ากายเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คือกลุ่มเหตุผลกลุ่มเหตุปัจจัยคือปฏิจจาสมบาบทผมก็ไม่ว่าถึงเนื้อหาในรายละเอียดเราไปดูกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเบญจขันธ์แสดงเรื่องโดยเบญจขันธ์โดยตรงนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาที่ น, นี่ก็คือว่าพูดที่ว่าขันห้ามีความเกิดขึ้นและมีความดับไปโดยสรุปนี้นะและหลังจากนั้นจึงโยงแสดงถึงความเกิดขึ้นและความดับไปเนี่ยมันทํางานกันยังไงก็กล่าวว่าทํางานกันอย่างเป็นปฏิจจสมุปาทินี่ยเองและในส่วนที่แสดงว่า อาสะวะไขนี้อาสะวัไขมีความรู้เห็นว่าในรูปเวสนาั้สัญญาทสงการวิญญาณสําหรับตรงนี้นะครับท่านแสดงเริ่มต้นว่าอาสะวัไขหมายถึงความหมดกิเลสเป็นพระอรหันเนี่ยเอายอดพูดว่าคนเป็นอรหันได้สิ้นอาสะวะเพราะอะไร เพราะรู้รูปนามคือขันห้าความเกิดความดับของรูปนามนี่เป็นการพูดอย่างยอ่อหลังจากนั้นจึงได้ขยายความต่อไปว่าคือขยายความตัวอาสวัไขตั้งเป็นกระบวนการแล้วก็ขยายความนามและรูปคือขันห้าเป็นกระบวนการอาสวัคไขนั้นได้ถูกขยายความ เป็นกระบวนการตั้งแต่ขย้ายานมาจนกระทั่งถึงศรัทธาขย้ายานจนถึงศรัทธาเนี่ยเป็นกระบวนการของอาสวะไข่ขยายความกระบวนการอาสวะไขขันห้ารูปถึงวิญญาณความเกิดดา บ, บของขันห้าขยายความโดยพิสดารคือกระบวนการตั้งแต่ทุก ไปจนถึงอวิชชาฟังฟังได้นะก็เลยกลายเป็นปฏิจจาสายเกิดสายดับคือพูดอีกทีหนึ่งว่าอาสวัชขเป็นปฏิจจาสายดับขันห้าเป็นปฏิจจาสายเกิดแล้วก็ถูกขยายความมาเป็นกระ บ, บวนการสายดับตั้งแต่อายายาน แล้วก็ปฏิจจาสายเกิดก็ถูกขยายความมาเป็นอาวิชาจนถึงทุกอธิบายเท่านั้นนะครับในสูตรอื่นๆนี่ก็กล่าวถึงขันห้าที่ว่าผู้เห็นชอบด้วยปัญญาตามความเป็นจริงก็คือรู้ขันเหตุเกิดของการความรวของขันอันนี้ก็แสดงโดยย่อ เพราะความดับแห่งอาหารหรือเพราะความเกิดแห่งอาหารนั่นแหละอาหารหมายถึงเหตุปัจจัยก็คือมาเป็นปฏิจจสมุปบาทเรียกสั้นๆตรงนี้ว่าอาหารจากนั้นท่านกล่าวถึงขันด้วยเรียกว่าโลกด้วยเรียกว่าทุกดูหัวข้อที่สามขันทั้งโลกเป็นทุกข ที่ัตว่าความเกิดโลกเพราะอายตนะนั่นก็คือโลกหมายถึงขันธ์้ะโลกแล้วก็แสดงปฏิจจ์ยอย่างในรูปแบบนี้ไม่เต็มองค์สิบสองและความเกิดทุกเนี่ยทุกก็คือขันธ์ขันธ์เป็นทุกเนความทุกเสมอด้วยอะไรไม่มีเคยได้ยนินความสุขเสมอด้วยนิพพานไม่มี แม่น้ำเสมอได้ตันหาไม่มีความทุกข์เสมอด้วยขันไม่มีทุกข์จึงเป็นชื่อของขันแสดงว่าโลกก็ดีแสดงว่าทุกข์ก็ดีจึงหมายถึงขันแล้วก็โยมหาปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบนั้นที่เขียนว่าตันหามันก็ต้องไล่ไปจนถึงชลามรณะนะ ที่ว่าตันหาแลว้วไปหยุดเฉยๆนะ่ะให้เติมไปยานไปจะถึงชรลาแล้วมาแล้วนะก็ยังไงก็เห็นใจคนพิมมือไหนนะอยู่ดึกอยู่ดื่นกันไปตามๆไปคุณคุณวั น, นีที่ช่วยพิมพ์ก็เลยไ ม, ไม่ได้ตรวจบางเผอ ล, ลังอะไรบางทำมาโดนแบบไม่ได้ตรวจจากนั้นครับ ปฏิจจสุบาที่แสดงสืบเมื่องจากอศาศะธาเจตนาและอาหา ร, รเห็นว่าอศาศะทานุปสัสสีแปลว่าการตามเห็นโดยความเป็นของน่าพอใจประสูบัที่แสดงเริ่มต้นด้วยอาสาทานุปสัสสีก็กล่าวคือว่าผู้มีอาสาทานุปัสสีในอุปาทานิยธรรมผมย้ําคําว่า อุปออาอาทานของภาษีคือการตามเห็นด้วยความยินดีไหวหน่ายินดีน่ายินดีนนดนอะไรในอุปาทานในเนียธรรมหมายถึงอารมณ์ชนิดที่เป็นเหยื่อ อ, อุปาทานได้เป็นเหยื่อของความยึดมัน่นยกตัวอย่างเช่นว่าเพชรนินจินดาเป็นอุปาทานเียธรรมไหมเป็นใช่ไหม ข้าวของเงินทองอะไรทั้งหลายแล้วก็ตัวเราทั้งตัวเนีก็เป็นอุปาทานิธรรมนะนี่ถ้าว่าเราเราพูดไอ้ที่เห็นง่ายๆก่านว่าเราไปเห็นเพชนินจินดาแก้วแหวนเงินทองแล้วไปมองด้วยด้วยทัศนคติทางชอบทางกำหนัดคือเห็นแล้วก็เกิดอัดาธาโนปสีแปลว่ากิเลสเหล่านั้นได้เหยื่อคืออุปาทานิธรรมได้แก่เป็ดนินจินดา อารมณ์ก็น่ายินดีเรายังไม่ห้ามความยินดีจึงเกิดความยินดีถ้าเรามองไปบนอากาศไม่มีอะไรน่ายินดีไอ้ความยินดีมันก็ไม่ได้ช่องไม่ได้เหยื่อมันก็เกิดได้ยากใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เถอะที่มันเป็นอารมณ์ของกิเลสแลวเรามองด้วยความรู้สึกยินดีไม่ห้ามใจไว้ไม่กูมใจไว้กิเลยกับอารมณ์ก็ผสมเสม เกิดพลังในทางต่ำขึ้นเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาขึ้นเลยแล้วปฏิจจาวงเลือนก็เดินต่างลำดับแต่ถ้าเรามองเห็นอารมณ์เป็นที่น่ายินดีเหล่านั้นที่เป็นที่ทั้งกิเลสเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าเป็นโทษตัณหาไม่เกิดปฏิจจไม่เกิดเวลาคนจะปฏิบัติธรรมจะห้ามจากความยั่วยใดๆเนี่ยถึงบางทีต้องมองในทางลบนะ มองในแง่ร้ายที่เราเรียกว่ามองในแง่ร้ายมองในแง่ร้ายเพื่อไม่ให้ความร้ายเกิดไม่ใช่มองในแง่ร้ายเพื่อไม่ให้ความดีเกิดที่เรีย nah e กว่าสังโยชนียธรรมก็เหมือนกันสังโยชนคือเป็นชื่อกิเลสคืออารมณ์เป็นที่ตั้งของกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์เรียกว่าสังโยชนี wishing, ยธรรมอารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสที่เรียกว่าปาทาน ก็เรียกว่าอุปาทานนียธรรมสรุปแล้วก็เป็นอันเดียวกันละครต่างกันที่ถ้อยคําที่ข้อกิเลสที่ปรากฏในอุปาทานในสังโยชน์อาจจะต่างข้อมากข้อน้อยข้อกว่ากันก็เรียกว่าเมื่อเราเข้าไปยินดีเห็นในเห็นโลกในแง่ดีด้วยกิเลสก็เกิดกิเลสเห็นโลกในแง่ร้ายด้วยกุศลธรรมก็ไม่เกิดกิเลสตรงนี้เป็นอย่างนี้ ทีนี้เรื่องเจตนาความจงใจคุณคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นยังเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยเป็นที่ตั้งของวิญญาณก็คือว่าเวลาเราจงใจในสิ่งใดคือทำกรรมในสิ่งใดในอารมณ์ใดเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปมาในที่นี้หมายถึงทั้งบุญหรือ บ, บาปเมื่อเกิดการทำกรรมในสิ่งใดวิญญาณที่เป็นวิบากของกรรมก็เกิดสูตรกลุ่มนี้อธิบายววาอย่างนั้นแล้วก็มาดู กลุ่มสุดท้ายของสูตรที่กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายในหมายถึงในประเด็นสองนะที่ที่เราว่าประดยนลำดับตัวแยะๆเนี่ยว่าเมื่อเห็นอารมณ์เป็นอันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาโรกาเกมาตัญหาเกิดก็คือมองอารมณ์ทั้งหลายในโลกนามรูป ปิตาลมในโลกเนี่ยเป็นของเที่ยงของสุขเป็นตัวเป็นตนเป็นของไม่มีโลกเป็นของกระปัญหาเกิดถ้าเห็นอารมณ์นั้นโดยความเป็นอในใิจจังอนัตตาทุกขงังอาโลกะแล้วก็อาเขมาเป็นอาเคมาไม่ใช่ของกระก็ปัญหาไม่เกิด ผ่านตัวนี้ไปครับไปดูอีกกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงอาหารมีอาหารเป็นเบื้องต้นปฏิจจ ա แสดงสื่อมือจากอาหารอาหารสี่มีอาหารกลืนเป็นคำคำผัดสาอาหารคือผัดสะและมโนสันเจตนาอาหารคือกรรมแล้วก็วิญญาณอาหารคือดวงความคิดจิตเนะี่ยแสดงเชื่อมโยงมาถึงตัณหาพระอาหารสี่เหล่านี้แหละเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหานั้นก็ มีอาหารเป็นที่ยินดีนนเมื่อมีราค่าในอาหารวิญญาณก็เกิดขึ้นสืบต่อไปแล้วก็ระบวนการปฏิจจาในรูปแบบนี้ก็เกิดขึ้นผมก็ได้แต่นานอธิบายเลยไม่ไม่ออกเลยตอนนี้ก็ดูคร่าวๆไปนะครับไปว่าถึงอีกประเด็นหนึ่งดูในหน้าสี่ครับ สูตรแสดงปฏิจจสมุปบาทนับเนื่องกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ปฏิจจมันเครื่องละมิจฉาทิฏฐิเราจะเห็นว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแม้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเครื่องละมิจฉาทิฏฐิยังเกิดมิจฉาทิฏฐิกับปฏิจจสมุปบาทเลยคนจ้องจะเป็นมิจฉาทิฏฐินะเหมือนว่าคนปฏิบัติธรรมอย่าลองพกมิจฉาทิฏฐิมาก็เกิดมิจฉาทิฏฐิกับข้อธรรมคิดเห็นเป็นต่างๆนานาไปได้ ตอนนัมพระรูปหนึ่งเนี่ยฟังปฏิจจารึงสามว่าชลามารณะเป็นของใครเนี่ยชลาหมารณาใครเป็นผู้สร้างขึ้นมากดออกความคิดเรื่องนี้มาใส่ไม่ได้เนเบื้องต้นไม่ได้ถูกชำระก็อย่างนี้แหละครับทำให้ธรรมมาแปลกเปิดไปแล้วก็มิชาดทิฏฐิที่เริ่มต้นจากการพูดถึงทุกข์ว่าทุกข์เป็นของใครนี่เราอธิบายกันมาแล้วแต่ว่าเที่ยวนี้ทาอย่างครบหมดเลย ทุกไนยะของปฏิจจสมุปบาทที่อยู่ภายใต้ประเด็นเดียวกันแล้วก็สุขทุกข์เกิดจากใจยในยความม่ผิเดเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์แล้วก็จากนั้นก็ผู้ทำเพจกับผู้รับผลดูข้อสี่เป็ความมนผิดอย่างหนึ่งเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยก็มีความเห็นว่าคนนั้นทำเพจคนนั้นเสวยผลหรือนี่เป็นคาถามที่ถามบนฐานของมิจฉาทิฏฐิที่เป็นสัสะตาทิฏฐิ คนนั้นทําคืออัดตานั้นแหละทําแล้วก็ยืนอยู่เวียนว่ายแต่เกิดมาสเสวยผลนั้นได้ตัวเองแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้เป็นส่วนสุดขั้นหนึ่งคือเป็นทิฏฐิสุดตรงข้างสะตะัตตติฏฐิตามก็ถามว่าคนอื่นทําเพตุอคนอื่นสเสวยผลหรือหมามว่าคนทําทําแล้วก็ลมหายตายจากไปเวลามารับผลเนี่ยเป็นนามรูปอันอื่นไม่ใช่นามรูปใหม่ไม่เกี่ยวข้องกันใหม่หรือว่าคนหนึ่งทํา แล้วก็อัตตาไม่มีคนอื่นก็ไปได้รับผลแบบที่เราพูดกันว่าคนนี้ทำคนอื่นรับผลแบบที่เราทโทษๆกันนะคนนั้นทำคนนี้ทำคือก็พูดกันแบบไอ้ทั้งพูดว่าคนนั้นทำคนนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสุดโตรงไปบกไอเราไม่ได้ทำเราไปโทษคนอื่นเนี่ยแบบขาดจากเราในแง่ของความยืมยวงถึงกรรมก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสุดต่งไปอีกไม่อยู่ตรงจุดพอดี ปุชาถึงบอกว่าท่านแสดงธรรมเป็นส่วนกลางเนี่ยยอมรับความนับเนื่องของเหตุปัจจัยแต่ว่าไอ้ตัวผลตัวเหตุเนี่ยมันเกิดดับคนละส่วนกันแบบมีกระแสโยงถึงกันต่อไปประเด็นที่ห้ า, าธิตาคณะติตาอันนี้ก็ที่เกี่ยวกับมีไม่มี น, นี่ก็มาถูกลงกลุ่มอย่างนี้ที่ใช้สำนวนเป็นต่า ง, างกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอยู่บนความหมายของคาว่ามีและไม่มี จะจบพอดีพอดีก็เวลาพอดีแบบกงโกเวลาไปเยอ ะ, อะที่เหลือนะฮะผมก็จะไม่พูดแล้วแต่จะมาแจกให้ให้จะได้เอาไว้เป็นเป็นชุดเดียวกันแล้วก็จะกลับมานี่คือมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่แหม่มันมันเป็นจุดสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือว่าไอ้แต่ละองเนี่ยเขาเรียกชื่อหลายชื่อบางที ชื่อ IP ้ี่หนึ่งเป็นรวบเป็นองค์เดียวอีกที่แยกเป็นององแล้วก็